พระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่ชนเหล่าอื่นพึงให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่สาวกของชนเหล่าอื่นทานเธอให้แก่เราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่ชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมาก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 ทานที่ให้แกสาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตามที่ท่านพระโคโดมตรัสไม่กล่าวตู่ท่านพระโคโดมด้วยคําที่ไม่จริงและชื่อว่ากล่าวทำรรตามสมควรแก่ทำก็การคล้อยตามคําพูดที่ชอบทําบางอย่างย่อมไม่ถึงฐานะที่น่าติเตียนบ้างหรือเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ประสงค์จะกล่าวตู่ท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าว่าชะชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นละถึงทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่พูดตามที่เราพูดและชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำที่ไม่ดีไม่เป็นจริงวัาชะ ผู้ใดห้ามบุคคลอื่นที่ให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างวัตถุสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. ทำอันตรายแก่บุญของทายกผู้ให้ 2. ทำอันตรายแก่ลาภของปฏิฆาหกผู้รับ 3. ในเบื้องต้นตัวเขาเองย่อมถูกกำจัดและถูกทำลายวัชชะ ผู้ใดห้ามบุคคลอื่นที่ให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างแต่เราเองกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ําล้างภาชนะหรือน้ําล้างขันลงที่หมู่สัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ่อน้ําครําหรือที่บ่อโสโครกด้วยตั้งใจว่าหมูสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นั้นจงเลี้ยงชีพด้วยน้ําล้างภาชนะเป็นต้นนั้น เรากล่าวกรรมที่มีการเทน้ําล้างภาชนะเป็นต้นเหตุว่าเป็นที่มาแห่งบุญไม่จําเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์อีกประการหนึ่งเรากล่าวถึงทานที่ให้แก่ผู้มีศีนว่ามีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลย่อมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านผู้มีศีนนั้นเป็นผู้ละองห้าประกอบด้วยองห้าท่านผู้มีศีนนั้นละองห้าอะไรบ้างคือ 1. กามชฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้าย 3. ถีนามิทะความหดหู่และเซื่องซึม 4. อุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยท่านผู้มีศีลและองค์ห้านี้ท่านผู้มีศีลประกอบด้วยองค์ห้าอะไรบ้างคือ หศีลขันกองศีลที่เป็นอเศขะ 2. สมาธิขันกองสมาธิที่เป็นอเศขะ 3. ปัญญาขันกองปัญญาที่เป็นอเศขะ 4. วิมุติขันกองวิม eh BE ุติที่เป็นอเศขะ 5. วิมุติญาณทัศนขันกองวิมุติญาณทัศน์ที่เป็นอเศขะ ท่านผู้มีศีลประกอบด้วยองค์ห้านี้เรากล่าวว่าทานที่ให้ในท่านผู้มีศีลที่ละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าย่อมมีผลมากด้วยประการชนนี้โคผู้ที่ฝึกแล้วเป็นโคใช้งานที่สมบูรณ์ด้วยกำลังมีชาวดีและเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงจะเกิดในสีสันใดๆคือสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีดางสีตามธรรมชาติของตน สีเหมือนโครธรรมดาหรือสีเหมือนนกพิราบก็ตามชนทั้งหลายเทียมมันเข้าในแอกไม่คำนึงถึงสีสันของมันฉันใดผู้ที่ฝึกตนดีแล้วมีความประพฤติดีงามตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลผู้แต่คำสัตว์มีใจประกอบด้วยหิริก็ฉันนั้นเหมือนกันจะเกิดในหมู่มนุษย์ชาติใดๆคือกษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตรคนจันทาน และคนเทขยะก็ตามก็ละความเกิดและความตายได้มีพรหมจรรย์บริบูรณ์ปรงพาระได้แล้วไม่ประกอบด้วยกิเลส ท, ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะรู้จบธรรมทุกอย่างดับสนิทเพราะไม่ถือมั่นในเขที่ปราศจากทุลีเช่นนั้นแลทักษินาย่อมมีผลมากคนผานไม่รู้แจ้งไม่มีปัญญาไม่ได้สดับรับฟัง ย่อมให้ทานภายนอกไม่เข้าไปหาสัตบุรุษส่วนเหล่าชนผู้มีศรัทธาอย่างลงตั้งมั่นในพระสุคตย่อมเข้าไปหาสัตบุรุษผู้มีปัญญาที่เขายกย่องกันว่าเป็นนักปราดท่านเหล่านั้นผู้เป็นบัณฑิตย่อมไปสู่เทวโลกหรือไม่ก็เกิดในตระกูลดีในโลกนี้และบรรลุนิพพานได้โดยลำดับวจโคตสูที่เจ็จบ กันณสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อติกัรณะครั้งนั้นติกัรณ์พราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวสรรเสริญคุณของพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามณนะเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างนี้ พราหมผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหม์พราหม์ทั้งหลายบัญญัติพราหม์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างไรติกันณพราหม์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพราหม์ในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาเถอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดจะชั่วบรรพบรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติระกูลเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมลรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เยตุพศาสต์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยากรชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษข้าแต่ท่านพระโคโดมพรามทั้งหลายบัญญัติพรามว่า เป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหม์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างหนึ่งส่วนผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งเทียกันนะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาส ขอท่านพระโคโดมแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอย่างที่ผู้ได้วิชาสามมีในอริยวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวติการณพราหมณ์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกสุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้ว บรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบรงงะงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน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 จุติจากพบนั้นก็ไปเกิดในพบโน้นแม้ในพบนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากพบนั้นจึงมาเกิดในพบนี้ภิกษุนั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เธอได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้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 นี้ทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยเหตุเกิดอาสวะนี้อาสวะนิโรธความดับอาสวะนี้อาสวะนิโรธคามิหนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะ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 ผู้ทิ้กายและใจจิตของพระโคโดมพระองค์ใดผู้มีศีลไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนมีปัญญาและมีความเพ่งพินิจเป็นจิตมีความชำนาญ แ, แน่วแน่เป็นสมาธิดีพระโคโดมพระองค์นั้นบัณฑิต ก, กล่าวว่าบรรเทาความมืดได้เป็นนักปราชได้วิชาสามละทิ้งม จ, จุราชเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ละบาปทำได้ทุกอย่าง สาวกทั้งหลายย่อมนมัส ก, การพระโคดมพระองค์นั้นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามไม่ลุ่มหลงเป็นพระพุทธเจ้ามีสเิรระเป็นชาติสุดท้ายบุคคลใดรู้แจ้งปุเพนิวาสยานเห็นทั้งสวรรค์และอบายบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดเป็นมุนีอยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ยิ่งเป็นพรามผู้ได้วิชาสามโดยวิชาสามนี้ เราเรียกบุคคล น, นั้นว่าได้วิชาสามไม่เรียกบุคคลอื่นว่าได้วิชาสามตามที่ผู้อื่นเรียกกันพราหม์ผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลติกันนะพราหมก์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ได้วิชาสามของพวกพราหม์เป็นอย่างหนึ่งส่วนผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านพระโคดม ก็ผู้ได้วิชาสามของพวกพราหมณมมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยนี้ข่าแต่ท่านพระโคโดมภาษิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตติกันณสูตรที่8จบ ชานุสโสนิสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อว่าชานุสโสนิครั้งนั้นชานุสโสนิพราหมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงชานุสโสนิพราหมณ์นั่งหน้าที่สมควรแล้วเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้ใดมียันมีสิ่งที่ผึงให้ด้วยศรัทธามีอาหารที่พึงให้แก่บุคคลอื่น หรือมีทายธรรมผู้นั้นควรให้ทานในพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์พราหม์มทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างไรชานุโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์ในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา เธอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิโดยการอ้างถึงชาติตระกูลได้เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เกตุพศาสต์อักรรษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยายกรชำนาญโลกายศาสตร์และลักษณะมหาบรุษข้าแต่ท่านพระโคดม พรามณ์ทั้งหลายบัญญ <|so|> ัติพรามว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพรามว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างหนึ่งส่วนผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งชาณุโสนิพรามทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาส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 ิอาสวาณิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะพวาสวะและอวิชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โบพรมาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเธอได้บรรลุวิชาที่สามนี้ ความมืดมิดคือเอาวิชาเธอคาจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เธอเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดอุทิศกายและใจมีจิตตั้งมั่นบุคคลใดมีจิตที่ชำนาญ แ, แน่วแน่ตั้งมั่นดีบุคคลใดรู้แจ้งปุพเพนวิวาสยาน เห็นทั้งสวรรค์และอบายบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดเป็นมุนีอยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ยิ่งเป็นพรามผู้ได้วิชาสามโดยวิชาสามนี้เราเรียกบุคคล น, นั้นว่าได้วิชาสามไม่เรียกบุคคลอื่นว่าได้วิชาสามตามที่ผู้อื่นเรียกกันพราหมผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลชาณุสุนิพรามกราบทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ได้วิชาสามของพวกพราหมณ์เป็นอย่างหนึ่งส่วนผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านพระโคดมก็ผู้ได้วิชาสามของพวกพราหมณ์มีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยนี้ข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคดม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 บูชายันเองบ้างให้ผู้อื่นบูชาบ้างในหมู่พราหมณ์นั้นผู้ใดบูชายันเองและผู้ใดให้ผู้อื่นบูชายันคนเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าปฏิบัติปุญญะปฏิปทาที่เกิดแก่หลายสรีระคือยันยะทิกรมียันเป็นเหตุส่วนบุคคลใดออกจากเรือนแห่งตระกูลใดก็ตามบวชเป็นบรรพชิตฝึกตนเองทาตนเองให้สงบ ทำตนเองให้ดับเย็นสนิทเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปุญญะปฏิปทาที่เกิดแก่สริระเดียวคือปรัชชาที่กรมีบรรพ ช, ชาเป็นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านพึงเฉลยปัญหานั้นตามที่ท่านเห็นสมควรท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร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 ในข้อนี้เราปฏิบัติตามมรคนี้ปฏิปทานี้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญา S <S อันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามมาเถิดแม้ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติแล้วจากทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ พระศาสดาพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมไว้และคนเหล่าอื่นต่างก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ผู้แสดงและผู้ปฏิบัตินั้นมีมากกว่าร้อยมีมากกว่าพันมีมากกว่าแสนท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ปุญญาปิปทาคือปปัชชาธิกรย่อมเกิดแก่สริระเดียวหรือเกิดแก่หลายสริระ เมื่อสังครวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ปุญญาปฏิปทาคือปรัต ช, ชาที่กรนนี้ย่อมเกิดแก่หลายสริระเมื่อสังครวะพราหมณ์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามสังครวะพราหมณ์ว่าบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบใจปฏิปทาอะไรซึ่งต้องใช้อุปกรณ์น้อยกว่ามีความวุ่นวายน้อยกว่า แต่ไม่ผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าเมื่อท่านพระอานนท์ถามอย่างนี้สังคารวะพราหมณ์ได้กล่าวท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระโคโดมเป็นฉันใดท่านพระอานนท์ก็เป็นฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราบูชาแล้วท่านทั้งสองนี้เราสรรเสริญแล้วแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สาม ท่านพระอนุน์ได้กล่าวกับสังครวะพราหมว่าพราหม์เราไม่ได้ถามท่านอย่างนี้ว่าท่านบูชาใครหรือว่าท่านสรรเสริญใครแต่เราถามท่านอย่างนี้ว่าบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบปฏิปทาอะไรซึ่งต้องใช้อุปกรณ์น้อยกว่ามีความวุ่นวายน้อยกว่าแต่มีผลมากกว่าและมีอนิสงส์มากกว่า แม้ครั้งที่สสังคารวะพราหมณ์ก็ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระโคโดมเป็นฉันใดท่านพระอานนท์ก็เป็นฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราบูชาแล้วท่านทั้งสองนี้เราสรนเสริญแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดําริว่าสังคารวะพราหมณ์ถูกอนนท์ถามปัญหาที่ชอบธรรมก็นิ่งเสียไม่ตอบถึงสามครั้ง ทางที่ดีเราควรช่วยเหลือลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสังคารวะพราหม์ดังนี้ว่าพราหม์วันนี้พวกราชบุรุษนั่งประชุมกันในราชสำนักสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าอย่างไรสังคารวะพราหม์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมวันนี้พวกราชบุรุษนั่งประชุมกันในราชสำนัก สนทนากันในระหว่างการประชุมว่าทราบมาว่าในการก่อนภิกษุธรรมดามีจํานวนน้อยส่วนภิกษุที่ได้อุตริมนุสธรรมแสดงอิทธิปาฏิหาริได้มีจํานวนมากกว่าทุกวันนี้ภิกษุธรรมดามีจํานวนมากกว่าส่วนภิกษุที่ได้อุตริมนุสธรรมแสดงอิทธิปาฏิหาริได้มีจํานวนน้อยกว่าข้าแต่ท่านพระโคดมวันนี้พวกราชบุรุษ นั่งประชุมกันในราชสำนักสนทนากันในระหว่างการประชุมดังนี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ปฏิหารการทำให้ปฏิปักษ์ยอมได้สามอย่างนี้ปฏิหารสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. อิทธิปฏิหารปฏิหารคือฤทธิ์ 2. อาเทศนาปฏิหารปฏิหารคือการทายใจ 3. อนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคืออนุสาสนีอิทีปฏิหารเป็นอย่างไรเคอภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ พูดขึ้นและดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลําดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาร อเทศนาปฏิหารเป็นอย่างไรเคยภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้กล่าวดักใจได้โดยเครื่องหมายว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มี จ, มจิตของท่านกําลังคิดอย่างนี้อย่างนี้แม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคําที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ กล่าวดักใจโดยอาศัยเครื่องหมายไม่ได้เลยแต่พอได้ฟังมนุษย์มนุษย์หรือเทวดาย่อมกล่าวดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใ จ, มใจของท่านกําลังคิดอย่างนี้อย่างนี้แม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคําที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ กล่าวดักใจโดยอาศัยเครื่องหมายไม่ได้เลยถึงได้ฟังเสียงมนุษย์มนุษย์หรือเทวดาก็กล่าวดักใจไม่ได้แต่พอได้ฟังเสียงบ่นเพ้อของบุคคลผู้ตรึกตรองแล้วย่อมกล่าวดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีจิตของท่านกำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้แม่หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่อง คำที่เือกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวดักใจโดยอาศัยเครื่องหมายไม่ได้เลยถึงได้ฟังเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาก็กล่าวดักใจไม่ได้ถึงได้ฟังเสียงบนเพอของบุคคลผู้ตรึกตรองก็กล่าวดักใจไม่ได้แต่กำหนดรู้ใจของบุคคลผู้เข้าสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารด้วยใจของตนว่า ท่านผู้เจริญนี้จักปรึกเรื่องชื่อโน้นในลำดับจิตนี้โดยวิธีที่ได้ตั้งโมโนสังขารแม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคําที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี้เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารอนุสาสนีปาฏิหารเป็นอย่างไรเคยภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่า จงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนุษการอย่างนี้อย่าได้มนสิการอย่างนี้จงละธรรมนี้จงบรรลุธรรมนี้อยู่นี้เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารพราหมณ์ปฏิหารสามอย่างนี้แหลบรรดาปฏิหารสามอย่างนี้ท่านชอบใจปฏิหารไหนซึ่งงดงามกว่าและประณีตกว่าสังคาระวะพราหมณ์กราบทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมบรรดาปฏิหารสามอย่างนั้นปฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวิในนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงแผ่อำนาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกก็ได้นี้คือปฏิหารผู้ใดแสดงอิทธิปฏิหารนั้นผู้นั้นย่อมชอบใจปฏิหารนั้นและผู้ใดแสดงอิทธิปฏิหารนั้นปฏิหารนั้นเป็นของผู้นั้น ข้าแต่ท่านพระโคโดมปฏิหารนี้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหมือนกับภาพมายาข้าแต่ท่านพระโคโดมปฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวดักใจได้โดยอาศัยเครื่องหมายว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีจิตของท่านกำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้แม้หาเขาจะกล่าวดักใจหลายเรื่อง คำที่ข้าวกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นข้าแต่ท่านพระโคดมภิกษุบางรูปในธรรมวิในนี้กล่าวดักใจโดยอาศัยเครื่องหมายไม่ได้แต่พอได้ฟังเสียงมนุษย์อามนุษย์หรือเทวดาแล้วก็กล่าวดักใจได้ว่าละถึงได้ฟังเสียงมนุษย์อามนุษย์หรือเทวดาแล้วก็ยังกล่าวดักใจไม่ได้ แต่พอได้ฟังเสียงบ่นเพ้อของบุคคลผู้ตรึกตรองก็กล่าวดักใจได้ว่าละถึงแม้ได้ฟังเสียงบ่นเพ้อของบุคคลผู้ตรึกตรองก็ยังกล่าวดักใจไม่ได้แต่กำหนดรู้ใจของบุคคลผู้เข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารด้วยใจของตนว่าท่านผู้เจริญนี้จกตรึกเรื่องโน้นในลำดับจิตนี้โดยวิธีที่ได้ตั้งมโนสังขารไว แม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคำที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นข้าแต่ท่านพระโคโดมนี้คือปฏิหาริย์ผู้ใดแสดงอาเทศนาปฏิหาริย์นั้นผู้นั้นย่อมชอบใจปฏิหาริย์นั้นและผู้ใดแสดงอาเทศนาปฏิหาริย์นั้นปฏิหาริย์นั้นเป็นของผู้นั้นข้าแต่ท่านพระโคดม ปฏิหารแม้นี้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหมือนภาพมายาข้าแต่ท่านพระโคโดมบรรดาปฏิหารสามอย่างนี้ข้าพระองค์ชอบใจปฏิหารนี้ซึ่งงดงามกว่าและประนีต ก, กว่าคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พร่ำสอนอย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนสษการอย่างนี้อย่าได้มนสษการอย่างนี้จงละธรรมนี้ จงบรรลุธรรมนี้อยู่ข้าแต่ท่านพระโคดมหน้าอาจจัจฉร์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสเรื่องนี้ไว้ดีและข้าพเจ้าทั้งหลายขอทรงจำไว้ว่าท่านพระโคดมประกอบด้วยปฏิหารสามอย่างนี้เพราะท่านพระโคดมทรงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงทรงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกได้ เพราะท่านพระโคดมทรงกำหนดรู้ใจของบุคคลผู้เข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ด้วยใจของพระองค์ว่าท่านผู้เจริญนี้จกตรึกเรื่องโน้นในลำดับจิตนี้โดยวิธีที่ได้ตั้งมโนสังขารไว้เพราะท่านพระโคดมทรงพร่ำสอนอย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนัการอย่างนี้อย่าได้มนัการอย่างนี้จงละธรรมนี้ จงบรรลุธรรมนี้อยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านกล่าววาจาที่เกี่ยวข้องกับคุณของเราแน่แท้อันหนึ่งเราจะตอบคำถามของท่านเพราะเราแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างและถึงใช้อานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกได้เพราะเรากำหนดรู้ใจของบุคคลผู้เข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ด้วยใจของตนว่า ท่านผู้เจริญนี้จกตรึกเรื่องโน้นในลำดับจิตนี้โดวยวิธีที่ได้ตั้งมโนสังขารไว้เพราะว่าเราพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนกสการอย่างนี้อย่าได้มนสการอย่างนี้จงละธรรมนี้จงบรรลุธรรมนี้อยู่สังคาระวะพราหมณ์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมนอกจากท่านพระโคดม ภิกษุอื่นแม้รูปเดียวผู้เพียรพร้อมด้วยปฏิหารสามอย่างนี้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าไม่ใช่เพียงหนึ่งรไม่ใช่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500รที่แท้ภิกษุผู้ประกอบด้วยปฏิหารสามอย่างนี้มีอยู่จํานวนมากทีเดียวสังคารวะพราหมณ์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดม ก็บัดนี้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านเหล่านั้นอยู่ในหมู่ภิกษุนี้เองสังครวะพรามกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพาษิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรมงประกาศรมแจมแจ้งโดยประการต่าง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 สังคารวสูตรที่10จบพราหมณวัคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมเทวพราหมณสูตร 2. ทุติยะเทวพราหมณสูตร 3. อัญญตารพราหมณสูตร 4. ปริภาชกะสูตร 5. นิพุตตะสูตร 6. ปโลกะสูตร7 ว่าจะโคตสูตร 8. ติกันณสูตร 9. าชานุสโสนิสูตร 10. สังคารวะสูตร